สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่เชียงพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สองร้อยเจ็ดสิบแปดเรื่องคำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่ห้าสิบสามขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงตรงที่ว่าในพระธรรมโยบบทที่ห้าข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่ามนุษย์นั้นเกิดมาเพื่อแก้ความยากลาบากอย่างประกายไฟ ย่อมปิวขึ้นบนความบาปนั้นทําให้มนุษย์ถูกครอบงําทางความคิดมนุษย์ถูกความบาปครอบงําเจตจำนงเจตนารมณ์มนุษย์ถูกความบาปครอบงําอารมณ์ความรู้สึกความปรารถนามนุษย์ถูกทําบาปความบาปทําให้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของมารชาตานและ ความบาปนั้นทำให้มนุษย์ตกอยู่ภายใต้พระพิโรธของพระเจ้าสุดท้ายก็คือความบาปนั้นทำให้ชีวิตมีแต่ความทุกข์ยากลาบากพี่น้องครับบริญาของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมอิสยาบทที่48ข้อ22และโรมบทที่8ข้อ20อิสยาบทที่48ข้อ22กล่าวว่าพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนอาธรรม โระมทที่แปดข้อยี่สิบกล่าวว่าเพราะว่าสรรพสิ่งเหล่านั้นต้องเข้าอยู่ในอำนาจของอนิจจังนะครับอิสายาสี่สิบแปดยิบสองบอกว่าพระเจ้าพูดนะครับพระเจ้าตรัสว่าไม่มีสันติสุขแก่คนธรรมนั่นแสดงว่าพระเจ้านั้นได้ทรงบอกมนุษย์ถึงความจริงและสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตมนุษย์นั้น แน่นอนครับทุกคนต้องการสันติสุขทุกคนต้องการการคืนดีทุกคนต้องการพีสนะครับก็คือความสขความชื่นชมยินดีความยินดีสันติสุขพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้ไม่มีแก่คนธรรมครับนั่นแสดงว่าเมื่อไม่มีการคืนดีกับเจ้าพระพรที่เป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็ไม่สามารถที่จะตกมาถึงชีวิตของมนุษย์ได้ เช่นเดียวกันครับเมื่อไม่ได้กับใจใหม่มีความบาปฝังอยู่มีความบาปซ่อนอยู่ในชีวิตของมนุษย์นั้นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะมีสันติสุขได้อย่างแท้จริงและผู้ที่ไม่มีสันติสุขไม่มีความรักของพระเจ้าอยุ่นตวงเขาก็จะไม่มีพระพรหรือเมื่อมีพระพรเขาก็ไม่ได้รับความรอดและเมื่อไม่ได้รับความรอดก็ต้องเข้าสู่อำนาจของความเป็นอนิจจังครับความเป็นอนิจจังก็คือ ทุกอย่างนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของความบาปเมื่อสักครู่นี้ผมได้ทบทวนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์ทุกคนนั้นทั้งชีวิตและตลอดชีวิตก็ดังพร้อยไปด้วยความบาปพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนตายไปกี่ล้านคนตามสถิติตัวและตัวเลขนะครับก็คืออยู่ที่ห้าสิบล้านคนถึงหกสิบล้านคนนะครับที่ตายไปพี่น้องครับ ห้าหกสิบล้านคนที่ตายไปในแต่ละปีนั้นก็เผชิญกับผลกรรมหรือผลแห่งการกระทําของตัวเองพี่น้องครับพระคัมภีร์ระมัดระวังที่จะแสดงให้มนุษย์เห็นถึงความหมายอันสมบูรณ์ครบถ้วนของความบาปในวันนี้นั้นผมอยากจะนำเสนอความหมายของความบาปนะครับมีอยู่ทั้งสิ้นห้าคำด้วยกันห้าความหมายด้วยกันเมื่อพระคัมภีร์ใช้คาว่า ความบาปนั้นเพิ่มทีแยกแยะชัดเจนครับในภาษากรีกนั้นทําให้เราเห็นถึงความบาปและความหมายของความบาปคาแรกก็คือฮามาเทียฮ a r m a t i a นะครับเป็นภาษากรีกซึ่งหมายถึงการพลาดจากเป้าผู้สันส้นๆก็คือการพลาดเป้า h ามาเทียนั้นแปลว่าความบาปครับความบาปคือการพลาดจากเป้าหมาย พระกัมพีใช้คานี้ถึงร้อยสาสิบเจ็ดครั้งด้วยกันเป็นคำที่ใช้กับนักยิงธนูครับนักยิงเป้าครับว่าถ้าว่าเราพลาดจากเป้านะครับลูกธนูไปปากอยู่นอกเครื่องหมายนะครับนอกวงนอกเป้านั่นหมายความว่าเรากำลังพลาดจากเป้าการพลาดจากเป้านั้นเป็นความบาปได้ยังไงครับการพลาดจากเป้านั้นเป็นความบาปเพราะ พระเจ้านั้นได้ทรงมีวัตถุประสงค์นะครับมีเป้าหมายที่ให้มนุษย์นั้นเดินให้มนุษย์นั้นประพฤติให้มนุษย์นั้นปฏิบัติซึ่งเป็นวิถีของมนุษย์ที่พระเจ้าตั้งไว้แต่มนุษย์นั้นพลาดจากเป้าหมายเมื่อพลาดจากเป้านั่นคือความบาปครับพระเจ้าต้องการให้อดัมเอวานะครับที่จะเชื่อฟังพระองค์อย่างสุดๆเชื่อฟังพระองค์ร้อยเปอร์เซนตเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ ไม่อนุญาตให้อาดัมและเอวานั้นเด็ดผลไม้นะครับเด็ดผลไม้ต้องห้ามผลไม้ ai, แห่งการรู้ดีรู้ชั่วในสวนนั้นเพราะพระเจ้าต้องการให้มนุษย์นั้นเชื่อฝัง100ร้อยเปอร์เซ็นต์ีนงครับอาดัมและเอวาพลาดจากเป้าหมายตรงนี้นั่นคือความบาปนี่เป็นประการแรกครับมนุษย์ของเรานะครับเราพลาดจากเป้าในมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สี่สิบแปดนะครับบอกว่า องพระผู้เป็นเจ้าของเราตรัสว่าเหตุชะนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นคนดีรอบคอบนี่คือเป้าหมายครับใช่ไหมครับพระเจ้าปรารถนาและตั้งเป้าหมายกับเราให้เป็นคนดีรอบคอบเหมือนอย่างพระบิดาของท่านสูงส่งมากใช่ไหมครับพระเจ้าต้องการให้เราบริสุทธิ์เป็นคนที่ดีเหมือนกับพระบิดาบนสวรรค์ดีคงจะได้ยากใช่ไหมครับพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงสถิตผู้ทรงสัพพันอยู ผู้ทรงสถิตทั่วทุกขนแห่งผู้ทรงไว้ซึ่งอำนาจอธิปไตยสูงสุดนั้นโรงเป็นผู้ที่ดีอรอบคอบเมื่อเราเป็นเสมือนพระเจ้าเราก็เข้าเป้าครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความประพฤติมีความคิดมีคําพูดมีการกระทําไม่เหมือนพระเจ้าเราก็พลาดไปจากเป้าแล้วเพราะฉะนั้นที่น้องครับขอต้อนรับสู่ชุมชนของบรรดาผู้ที่พลาดไปจากเป้าเราพลาดกันทุกวันทุกวัน วันละหลายครั้งหลายผล ห, หลายเรื่องหลายราวนะครับามาเัติเป็นความหมายได้ครับข้อหมายที่สองครับผมจะใช้เวลาให้กระชับมากขึ้นนะครับความหมายที่สองก็คือคําว่าพาลาพาลาเบซิสพาราเบซิสนะครับเป็นคําภาษากรีกซึ่งมีความหมายถึง ก, มมยงการล um ําเส้นนะครับก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่กีดกั้นขีดกั้น ระหว่างความถูกและความผิดพี่น้องครับถ้าเปรียบเสมือนกับฟุตบอลนะครับก็คือการอฟไซส์หรือล้ำนานเองนะครับการก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดกั้นระหว่างความถูกและความผิดนั่นคือความหมายที่สองครับก็คือพาราเบซิสมันเป็นการกระทำในสิ่งที่ต้องห้ามที่พระเจ้าห้ามไว้ครับโดยทางความคิดคาพูดการกระทำความประพฤต นะครับนี่เป็นความหมายที่สองคือพระเจ้าขีดเส้นไว้แล้วแต่เรายังก้าวข้ามเส้นนี้ไปนะครับคําที่สามครับก็คือคําว่าอโนเมียอโนเมียนั้นมีพื้นฐานจากคาว่าโนมอสโนมอสนั้นแปลว่ากฎครับนะครับโนมอสแปลว่าบัญญัติหรือกฎหมายครับเพราะฉะนั้นการที่มีพื้นฐานคําว่าอโนเมียคือการละเลยกฎละเลยบัญญัติ อย่างชัดเจนนะครับซึ่งถือว่าเป็นความจงใจนะครับในการละเลยในการไม่ปฏิบัติตามกฎอย่างชัดเจนอันนี้ถือว่าเป็นการกระบฏ ต, ต่อพระเจ้ากระบฏนั้นคือข้อหาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับต่อไปนะครับคําที่สี่นะครับคําที่สี่ก็คือคําว่าพารับโทมานะครับพารับโทมา พารับโทมาแปลว่าการล่วงละเมิดครับคาว่าพารับโทมานั้นมีภาพที่เปรียบเทียบเหมือนกับการที่คนเรานั้นเดินอยู่ในพื้นที่ลื่นลื่นแล้วก็พลัดหรือลื่นล้มครับลื่นล้มลงนะครับคำว่าพารับโทมานั้นแปลว่าการลื่นลม้มก็คือการล่วงละเมิดนะครับคำที่ห้าครับคำสุดท้ายก็คือคำว่า โอเฟเลมาโอเฟเลมาเป็นคําที่น่าสนใจครับเพร า, วาะว่าแปลว่าหนี้ครับมีเพียงโรมบทที่สีเท่านั้นที่ใช้คํานี้ในรูปของคํานามและในรูปของคํากริยาก็มีใช้ยอยู่หลายครั้งในเพิ่มผีครับแต่คํานี้เนี่ยเป็นคําที่ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่พี่น้องชาวแคทอลิกนั้นเขาคุ้นเคยครับเวลาที่เขาท่องคําอธิษฐานของพระเยซูนะครับโปรดยกหนี้ของเรา เหมือนเรายกแก่เขาพี่น้องครับในสมัยเด็กๆผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอัศมชัญครับจะต้องท่องครอธิษฐานของพระเยซูนะครับในสไตล์ของช่าวชาวแคทอลิกทุกวันโปรดยกหนี้โปรดยกหนี้ของเราเหมือนเรายกแก่ท่านนะครับพี่น้องครับนี่คือความหมายสุดท้ายนะครับก็คือความหมายที่ห้าความบาปนั้นคือเมื่อเราทำผิดบาปเราก็เป็นหนี้ ผลที่ตามมาต่อพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือความหมายห้าประการของความบาปครับผมอยากขอแอยกทบทวนนะครับเพื่อเป็นความรู้และเพื่อที่เราทั้งหลายจะได้รู้ว่าความบาปนั้นมันครอบคลุมนะครับครอบคลุมกว้างขวางขนาดไหนความหมายแรกครับก็คือการพาดเป้าครับฮามาเทียความหมายที่สองก็คือพาราเบซิสแปลว่าล้ำเส้นหรือก้าวข้ามเส้นของพระเจ้าที่ขีดไว้ ความหมายที่สามก็คือว่าอโนเมียก็คือเป็นการละเมิดหรือละเลยกฎเกณฑ์บัญญัติอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งถือว่าเป็นการกบฏนะครับและคำที่สี่ก็คือคำ ว, ว่าพาปรับโทมาแปลว่าการลื่นล้มนะครับตรงนี้หมายความการล่วงละเมิดครับและคำสุดท้ายก็คือนี่ครับก็คือโอเฟเลมาีนะครับความหมายทั้งห้าประการนี้ ครอบคลุมถึงการพลาดเปล่าการลื่นล้มการกระบฏการละเลยกดการไม่รักษากฎเกณฑ์ที่พระเจ้ามอบให้เราการล่วงละเมิดการละเว้นไม่ปฏิบัติตามพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เชื่อนะครับว่าไม่มีใครสามารถที่จะหลุดจากข้อาหาของความบาปได้เลยพี่น้องครับนี่เป็นสาเหตุที่เราจะเห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจริงๆนะครับ พระเจ้าของเรานั้นบริสุทธิ์และพระเจ้าของเรานั้นก็ชอบธรรมนครเดียวกันะครับโป ร, ร่รงทรงเข้มงวดด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีทางรอดสำหรับมนุษย์ครับเว้นไว้แต่ทางเดียวก็คือพึ่งในหรือเชื่อหรือศรัทธาในความรักของพิ耶สุขิทธิ์เชื่อในสิ่งที่พร耶สุขิทธิ์ได้สงสอนเราทั้งหลายแต่ไว้วางใจโรง่งยอมสารภาพบาปรับการอภัยโทษ เชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระพเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดและติดตามพระเยซูตลอดไปนั่นนะครับคือวิธีการบังเกิดใหม่วิธีการที่เราจะรับพระคุณของพระเจ้าเพื่อที่เราจะหลุดจากอำนาจมืดวิญญาณชั่วและผลของบาปและค่าจ้างของมันอามน